ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปวรณาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปวรณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปวรณาใหม่พวกภิกษุที่ปวรณาแล้วต้องอบัตทุลใจวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวรณานั้น มีภิกษุที่อยู่ในวาดหลายรูปแต่ประชุมกัน5้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทําความแตกเราว่าภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวรณาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปรวรณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน พวกภิกษุที่ปรนน่าแล้วเป็นอันปรนรณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปรนรณาพวกภิกษุที่ปรนน่าแล้วต้องอบัตรทุนละใจวงเล็บสองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรนรณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในาวาดหลายรูปแต่ประชุมกัน5้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในาวาดผู้อื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทําความแตกเราว่า ขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวรณาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังปรวรณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วเป็นอันปรวรณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปรวรณาพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วต้องอาบัติทุลใจวงเล็บสามภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวัตหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาว า, รารตรผู้อื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทําความแตกร้าวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปวารณ า, าพอภิกษุเหล่านั้นปวารณ า, าเสร็จ ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรวารณาใหม่พวกภิกษุที่ปรวรรณาแล้วต้องอบัตรธุรจใจวงเล็บสภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวรรณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้าง ภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทําความแตกราว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปวรณาพอภิกษุเหล่านั้นปวรณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันภิกษุที่ปวรณาแล้วเป็นอันปวรณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปวรณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้น พวกภิกษุที่ทปวารณาแล้วต้องอบัติทุลใจวงเล็บห้าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตหลายรูปแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตผู้อื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทําความแตกเราว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศ ภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวรณาพอภิกษุเหล่านั้นปรวรนาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วเป็นอันปรวรณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปรวรณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วต้องอบัติทุละใจวงเล็บ6ภิกษุทั้งหลาย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 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรวารณาใหม่พวกภิกษุที่ปรวารณาแล้วต้องอบัตทุลใจวงเล็บ7ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ยังไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทําความแตกคราว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวรรณาพอภิกษุเหล่านั้นปรวรรณาเสร็จบริษัทยังไม่ทนลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปรวรรณาแล้วเป็นอันปรวรรณาดีแล้ว ที่มาทีหลังพึงปรวรณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วต้องอาบัติทุละใจวงเล็บ8ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวรณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน5้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทําความแตกราว่า พอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวรณาพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วเป็นอันปรวรณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปรวรณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วต้องอบัติทุละใจวงเล็บ9้า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 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรวรณาใหม่พวกภิกษุที่ปรวรนาแล้วต้องอบัตทุลใจวงเล็บ10บภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวรนานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทําความแตกราวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวรณาพอภิกษุเหล่านั้นปรวรณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปรวรณาแล้วเป็นอันปรวรณาดีแล้วที่มาทีหลังพึ่งปรวรณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้น ผู้ภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอบัตทุลใจวงเล็บ11ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาตแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาัตหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวัตผู้อื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทําความแตกราว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศ ภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวาวณาพอภิกษุเหล่านั้นภาวณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าพวกภิกษุที่ภาวณาแล้วเป็นอันภารนาดีแล้วที่มาทีหลังพึงภาวณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ภาวาแล้วต้องอบัติทุนละใจวงเล็บิภิกษุทั้งหลาย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 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปรบารณาใหม่พวกภิกษุที่ปรารณาแล้วต้องอบัตทโลละใจวงเล็บ13ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรบารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ แต่มุ่งทําความแตกเราว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวัติาพอภิกษุเหล่านั้นประวัติาเสร็จบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่ประวัติาแล้วเป็นอันปรวรณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปวัติาในสํานักของภิกษุเหล่านั้น พวกพิสูที่ปรณารแล้วต้องเอาบัตรทุนลัใจวงเล็บ14ภพิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรวรณานั้นมีพิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีพิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่มุ่งทำความแตกราว่าขอพิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศ ภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปรวารณาพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วเป็นอันปวารณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปวารณาในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอบัติทุนละใจวงเล็บ15เพทะปุเรขารปณรสกะ จบปัญจวีสติกะจบ